จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุนใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อใช้เวลาที่มีค่าของการเป็นมนุษย์และการที่ได้พบกับพระพุทธศาสนาให้คุ้มค่าเพราะนานๆทีจะได้มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์และได้พบกับพระพุทธศาสนาซึ่งเปรียบเหมือนเป็นผู้นำทางที่จะพาให้เราเล็อดลอนออกจากเรือนจา ที่เราถูกกักขังอยู่เรือนจำของพวกเรานี้ก็คือเรือนจำแห่งการเกิดแก่เจ็บตายแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแห่งการทุกข์ทรมานในแต่ละภกในแต่ละชาติที่ไม่มีวันสิ้นสุดได้ถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนา ผู้ที่จะนำทางให้พวกเราได้เล็ดรอดออกจากเรือนจำแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ดังนั้นการที่ได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นโชคมหาสารเพราะเป็นของยากอย่างมากที่จะสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมๆกันภายใน เวลาเดียวกันอย่างเวลานี้นอกจากการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วที่เป็นของยากก็ยังมีอีกก็คือการได้มีเวลาได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมการดำรงชีพยอยู่อย่างอย่างปกติสุด อย่างนี้ก็เป็นของยากเช่นเดียวกันในพวกเรานี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมีวาสนาที่ได้พบกับของยากๆนี้ทั้งสี่ประการด้วยกันคือเราได้มามาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาศึกษาและปฏิบัติและ ได้ดำรงชีพ อ, อยู่อย่างปกติสุดการที่เรามีสิงที่ยากเย็นทั้งสีประการนี้เป็นสิ่งที่พอเพียงต่อการที่จะนำพาเราให้ไปสู่การหลุดพ้นจากการถูกจองจำอยู่ในเรือนจำแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้แล้วอยู่ที่ว่า เราจะขวนขวายกันหรือไม่อยู่ที่ว่าเรามีสติปัญญาพอที่จะเห็นหรือเข้าใจถึงสถานภาพที่แท้จริงของเราหรือไม่ว่าเราเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่เราเป็นผู้ที่ต้องรับผล ของการกระทําต่างๆที่เราทํากันอยู่คือรับผลแห่งความสุขหรือความทุกข์รับผลแห่งการเกิดแก่เจ็บตายในภพที่ดีและในภพที่ไม่ดีนี่คือสถานภาพของพวกเราและจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ พลิกสถานภาพของเราเองด้วยตัวเราเองด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและด้วยการปฏิบัติธรรตามพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงสั่งสอนไว้นี่เป็นวิธีเดียวที่จะสามารถพลิกสถานภาพของพวกเราจากผู้เป็นนักโทษอยู่ในเรือนจําแห่งการเกิดแก่เจ็บตาย ให้กลายเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากการถูกจองจำอยู่ในเรือนจำแห่งการเวียนว่ายตายเกิดดังที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาโรกทั้งหลายได้ประพฤติได้บาเพ็ญและได้เล็ดลอดหลุดพ้นออกจากเรือนจำแห่งการเวียนว่ายตายเกินดนี้ไปแล้ว ดังนั้นสิ่งที่พวกเราควรที่จะสำเนียกอยู่เสมอก็คือว่าเราเป็นนักโทษเราไม่ได้อยู่ที่ที่ดีเหมือนที่เราควรจะได้อยู่คือที่ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวุทั้งหลายได้อยู่กันนั่นก็คือนอกเรือนจำแห่งการเวียนว่าตายเกิดนั่นเอง อยู่ในที่เรียกว่าพระนิพพานที่ที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายที่ที่ไม่มีความทุกข์ต่างๆมารบกวนจิตใจเราพวกเราต้องพยายามสักดันตัวเราเองให้ให้หลุดให้เล่ดลอดหลุดพ้นจากการถูกจองจำ ในเรือนจำแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ให้ได้เพราะถ้าเราไม่เป็นผู้ที่ขวนขวายดิยนน้นรนก็จะไม่มีใครที่จะมาทำแทนเราได้เราต้องเป็นผู้กระทาด้วยตัวของเราเองด้วยความศรัทธาคือความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าจะเป็น ผู้ที่จะนำทางพาให้เราได้หลุดพ้นเล่นนอดออกจากเรินจำแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไปได้แล้วเราก็ต้องมีวิริยะคือความอุตสาหะภาคเพียรปฏิบัติตามพระธรรมคบสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติอยู่และศึกษาควบคู่ไปด้วย เราก็จะสามารถที่จะเล่นลอดหลุดพน้นออกจากเรินจำแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้ไปได้อย่างแน่นอนเพราะมีผู้ได้กระทามาก่อนหน้าพวกเราแล้วคือพระอริยสงสารุทั้งหลายพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายท่านได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนําเอามาปฏิบัติกับกายวาจาใจของท่านจนสามารถทําให้กายวาจาใจของท่านนั้นเป็นอิสระอยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิดได้ข้อสําคัญของพวกเราก็คือเราต้องเชื่อว่าการหลุด ก, การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ เป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าสิ่งใดๆทั้งหลายในโลกนี้ <c oughs> อย่าไปเสียดายสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่หรือกําลังแสวงหาอยู่เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้นั้นเปรียบเป็นเหมือนยาเสพติดยาเสพติดที่ไม่มีประโยชน์กับจิตใจของพวกเรามีแต่ประโยชน์กับกิเลสตัณหา คือความอยากเพราะเวลาเกิดความอยากแล้วจะต้องเสดให้ได้ถ้าไม่เสดแล้วจะทุกข์ทรมานใจแต่หลังจากที่เสดไปผ่านไปแล้วก็กลับมาอยู่ที่จุดเดิมคือเกิดความอยากที่จะเสดขึ้นมาใหม่ก็จะต้องทุกข์ทรมานใหม่ก็จะต้องเสดไปเรื่อยๆความอยากที่จะเสด สิ่งต่างๆในโลกนี้เช่นลาบยศสารเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะชนิดต่างๆนี่นเป็นเหมือนยาเสติดที่จะผูกรัดจิตใจของพวกเราให้ติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทําให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่นับพุทไม่ท่วนเพราะความติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้นั่นเอง ดังนั้นอย่าไปเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่วิเศษหรือมีประโยชน์มีคุณค่ากับจิตใจของเรามันเป็นเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดที่จะหลอกให้ปลาที่ไม่ฉลาดนั้นไปคุบเอาเบ็ดเข้าพอเห็นเหยื่อก็คิดว่าเป็นอาหารอันโอชะพอไปตะคุบเหยื่อก็เลยติดตะขอเบ็ดเกี่ยว ปากไปพวกเราก็ถูกตะขอบแห่งการเวียนว่ายตายเกิดผูกมัดจิตใจของเราเพราะว่าเราไม่ฉลาดเราคอยไปตะปบคอยไปกินเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดก็คือราบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกิืงกายที่พวกเรา กำลังยึดติดกันอยู่กำลังแสวงหากันอยู่และกำลังหวงกำลังหวงกันอยู่ทุกวันนี้พวกเราไม่ได้ติดอะไรเราติดอยู่ที่เหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนี้เองจึงทำให้เราต้องถูกเบ็ดนี้เกี่ยวเราไว้อยู่ตลอดเวลาเราจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุด จนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าผู้ที่รู้จักวิธีถอดเบ็ดออกจากใจผู้ที่รู้ว่าเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนั้นเป็นอันตรายต่อจิตใจต่อความอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขของจิตใจพระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้ทดสอบ และได้ปฏิบัติจนสามารถรู้ทันเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเด็ดและสามารถถอดเด็ดที่เกี่ยวติดอยู่กับพระทัยของพระองค์ให้หมดสิ้นไปได้จึงทำให้พระองค์ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับที่พวกเรายังต้องเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่อีกต่อไป ดาบใดที่เรายังไม่ได้ถอดเอาเบ็ดที่เกี่ยวใจของเราไว้เบ็ดที่เกี่ยวใจของเราไวน้นีพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ามีอยู่สที่เรียกว่าตัณหาคือความอยากตัณหาชนิดแรกทรงเรียกว่ากามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะอย่างที่พวกเราอยากกัน อยากจะดูอยากจะฟังอยากจะลิ่มรสอยากจะดมกลิ่นอยากจะสัมผัสกับสิ่งสัมผัสต่างๆที่สุดที่สบายแต่เราแม่รู้ว่ามันเป็นความสุขหลอกๆไม่ใช่เป็นความสุขจริงเป็นความสุขผิวเผินเป็นความสุขเหมือนที่ได้รับจากการเสพยาเสพติดนั่นเองแต่ จะต้องมีความทุกข์ตามมาเพราะจะต้องเสษอยู่เรื่อยๆและเวลาใดที่ไม่สามารถหายาเสษติดมาเสษได้เวลานั้นก็จะทุกข์ทรมานใจและจะบังคับหรือผลักดันให้ไปทำบาปทำกรรมเพื่อที่จะได้เอาสิ่งที่อยากจะเสษนี้มาเสษกันอีกต่อ และเมื่อได้ทำบาปไปแล้วเวลาตายไปก็จะต้องไปใช้กรรมใช้บาปในอบายคือที่เกิดของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายและของนรกของสัตว์นรกนี่คือเรื่องที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่พยายามหักห้างกามตัณหาที่มีอยู่ภายในใจ ให้มันอยู่อย่างน้อยถ้ายังไม่สามารถที่จะทำลายมันได้หรือตัดมันได้เราก็ต้องให้มันอยู่ในกรอบของศีลธรรมคือของศีลห้าว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรอยากจะดูอยากจะฟังอะไรเราจะต้องไม่ทำโดยที่อยู่นอกกรอบของศีลห้า คือเราจะไม่ฆ่าสัตว์ตักชีวิตไม่รักทรัพย์ไม่ประฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมงเพราะการกระทําเหล่านี้เป็นบาปจะมีผลที่เสียหายต่อจิตใจในปัจจุบันก็จะมีความทุกข์ว้าวุ่นขุนมัววิตกกังวลหวาดกลัวกับ วิบา ค, คือผลที่ได้ทำไว้และเมื่อตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายถ้าเรายังไม่สามารถหยุดการมาตัณหาของเราได้ยังต้องดูยังต้องฟังต้องลิ้มรสต้องดมกลิ่นต้องสัมผัสกับบทธราพชนิดต่างๆก็ให้อยู่ในกรอบของศีลห้าไวาเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไป ใช้กรรมในอบายและเราจะได้ปฏิบัติหรือพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปตามลำดับจนสามารถที่จะพัฒนาถึงขั้นของพระอริยเจ้าได้เป้าหมายของเราก็อยู่ที่การละความอยากทั้งสามประการ ที่เป็นเหมือนเบ็ดที่เกี่ยวใจของเราไว้ให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนี้เองเบ็ดตัวที่หนึ่งก็คือการมตัณหาความอยากในการมเบ็ดตัวที่สองก็คือภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นเบ็ดตัวที่สามก็คือวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นคือ ถ้าไม่ชอบอะไรก็จะไม่อยากได้สิ่งนั้นถ้าไม่อยากจะเป็นสิ่งนั้นแต่เราอยู่ในโลกที่เราเลือกไม่ได้มีทั้งเรื่องที่เราชอบและเรื่องที่เราไม่ชอบเราต้องรู้จักทำใจอย่าไปอยากกับสิ่งที่เราชอบและอย่าไปไม่อยากกับสิ่งที่เราไม่ชอบเพราะมันจะเป็นเหมือนกับเอา แบบนี้มาเกี่ยวใจของเราไว้ให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราว่าตัณหาก็คือความอยากมีอยากเป็นเช่นเราไม่มีอะไรเราอยากมีอย่างนั้นเรียกว่าภาวะตัณหาหรือว่ามีแล้วแต่ไม่พอใจเช่นมีบ้านแล้วไม่พอใจกว่าบ้านที่เราอยู่อยากจะมีบ้านใหม่ หรื อ, อยากจะมีบ้านหลังที่สองหลังที่สอันนี้ก็เรียกว่าเป็นภวะทันหาส่วนวิภวะทันหาก็คือมีอะไรแล้วไม่ยินดีไม่อยากได้แต่ก็ต้องอยู่กับมันเช่นมีบ้านเก่าไม่ชอบไม่อยากอยู่แต่ก็ต้องอยู่กับมั น, ม น, มมออมนหรือมีร่างกายที่ไม่สวยงาม ก็อยากจะเปลี่ยนมันให้สวยงามด้วยการไปทำศิัปกรรมตกแต่งต่างๆหรือมีสภาพที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ก็ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายถ้ามีความอยากเหล่านี้อยู่ภายในใจแล้วมันก็จะเป็นตัวผลักดันให้เราวิ่งตามหรือวิ่งหนี สิ่งที่เราชอบเราก็จะวิ่งตามสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็จะวิ่งหนีใจของเราก็จะไม่นิ่งเวลาตายมันก็จะไม่ตายอย่างไม่ต้องไปเกิดเพราะมันจะถูกตัวชอบหรือไม่ชอบตัวตัณหาคือภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหาหรือกามตัณหาคอยฉุดลากให้ไป เกิดในภพใหม่และเมื่อมีสามตัวนี้ซึ่งเป็นเหมือนมาที่ถอยลากเกวียนที่เรานั่งอยู่มันก็จะลากให้เกวียนของเราไปสู่ภพใหม่ส่วนจะไปภพไหนนั้นก็อยู่ที่บาปและบุญที่เราทํากันไว้นั่นเองถ้าเราทําบาปมันก็จะลากเราไปสู่อบาลถ้าเราทําบุญ มันก็จะลากเราไปสู่สวรรค์ไปสู่สุขติหรือถ้าเราสามารถฆ่ามาสามตัวที่ลากเกวียนของเราที่เรานั่อยู่นี้ได้เราก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกต่อไปไม่ต้องไปแก่ไม่ต้องไปเจ็บไม่ต้องไปตายไม่ต้องไปพัดคลาดจากของที่เรารักและไม่ต้องไ ป, ปเผชิญกับของที่เราไม่ชอบ ของที่เราไม่รักเพราะการพบกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นล้วนเป็นความทุกข์ทรมานใจทำนั้นดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือในขณะที่เรายังไม่สามารถฆ่าตัณหาทั้งสามตัวนี้ได้เราก็ต้องรักษาศีลไว้ให้ได้คือไม่ทําบาปและเราก็ต้องทําบุญด้วย เพื่อเราจะได้มีกำลังที่จะมาฆ่าตันหาทั้งสามตัวนี้การทำบุญนี้ก็มีเช่นอย่างที่ญาติโยมมาทำกันตอนนี้เราเอาเข้าวของเงินทองแทนที่เราจะเอาเงินทองนี้ไปใช้ตามอานาจของตันหาความอยากเช่นวันนี้เอาเงินไปซื้อสุรามาดื่ม ไปเล่นการพนันหรือไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆเราก็เอาเงินก้อนนี้มาซื้อของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของสมณะนักบวชเพื่อที่เราจะได้เกิดความเมตตาเกิดความการุณาแล้วก็ตัดตัณหาคือการมาตัณหาให้มัน อ่อนกำลังลงไปถ้าเราทำบ่อยๆทามากขึ้นไปเรื่อยๆตัณหากามั่นตัณหาก็จะเบาไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะสามารถรักษาศสียงแปดได้ตอนนี้เรารักษาเสียงแปดกันไม่ได้เพราะเรายังติดในกามันตัณหาอยู่นั่นเองเรายังติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะ เรายังต้องร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราเรายังต้องรับประทานอาหารเพื่อความสุขไม่ได้รับประทานอาหารเพื่อร่างกายถ้ารับประทานอาหารเพื่อร่างกายนี้ต้องรับประทานเหมือนกับรับประทานยามีเวลารับประทานวันละครั้งเดียวก็พอเพียงต่อการดูแลรักษาร่างกายแต่ที่เรายังต้องรับประทาน วันละสามสี่มือและรับรประทานระหว่างมือก็เพราะว่าเรายังติดในรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารของเครื่องดื่มที่เราเดื่มแล้รับประทานนี้เองแต่พอเราเอาเงินที่เราจะไปซื้อของเหล่านี้มาทำบุญเราก็ไม่สามารถที่จะดื่ม หรือรับประทานของต่างๆที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายต่อความต้องการของร่างกายได้เพราะเราสามารถกำหนดการรับประทานของของร่างกายเหมือนกับการรับประทานยาคือต้องมีเวลาเช่นถ้าถือศีลแปดก็จะไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วอย่างนี้ก็จะตัดกำลังของกามาตหาไปได้พอสมควร ทำให้เราพอมีเวลาที่จะได้มาสร้างกำลังต่อสู้กับตันหาให้มีกำลังเพิ่มมากขึ้นไปก็คือเราจะได้มีเวลามาภาวนามานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมมาเจริญปัญญามาเดินจงกรมนั่งสมาธิปลีกววิเวกได้แต่ถ้าเราไม่เอาเงินที่เราจะไปใช้ จ่ายกับกามากตัณหาเราก็จะติดอยู่กับการใช้เงินกับกามาตัณหาเราก็จะไม่มีกําลังที่จะแยกตัวเราออกจากการไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆได้ดังคนหลายคนที่ไม่สามารถมาวัดในวันนี้กันได้เพราะเมื่อคืนนี้ต้องออกไปเที่ยว ต้องไปหาความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆจนไม่สามารถตื่นเช้ามาวัดได้เพราะหนึ่งเงินก็หมดเงินที่จะเอามาทำบุญก็ไม่มีเสียแล้วเพราะเอาไปใช้กับความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะสองเมื่อเที่ยวดึกก็ไม่สามารถที่จะตื่นขึ้นมาตอนเช้าเพื่อมาทาบุญได้ แต่พวกเรานี้เป็นพวกที่ฉลาดพวกเรารู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การเข้าหาธรรมะอยู่ที่การศึกษาธรรมะและอยู่ที่การปฏิบัติธรรมะเราจรึงเอาเงินที่เราจะไปใช้หาความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพานี้เอามาทำบุญให้ทานแทน เพือที่เราจะได้ตัดกำลังของการมาต่างหาและให้เรามีเวลาที่เราจะได้มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมารักษาสี่งกันนี่คือวิธีที่พวกเราควรที่จะดำเนินกันให้มากๆเริอมต้นเราอาจจะรักษาสินแปลได้เฉพาะวันที่เราไม่ต้องไปทำงาน แต่ต่อไปถ้าเรารักษาได้แล้วเราจะสามารถขยายวันออกไปได้เพิ่มขึ้นไปและจะสามารถรักษาสิแปลได้ทุกวันถ้าเราปฏิบัติทำนั่งสมาธิให้มากๆจเจริญสติให้มากๆเพราะก่อนที่จะนั่งสมาธิได้นี้จะต้องจเจริญสติก่อนสติเป็นผู้ที่จะดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบได้ ถ้าไม่มีสติจิตก็จะคิดฟุ้งซ่านคิดไปกับเรื่องต่างๆเวลานั่งสมาธิก็ไม่สามารถที่จะทำให้จิตสงบได้ดังนั้นก่อนที่เราจะนั่งสมาธิเราต้องเจริญสติให้มากซึ่งเราสามารถเจริญได้ทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับถ้าเราลองทำดูเราใช้การบริกรรมพุทโธดึงไว้ก็ได้ เช่ตื่นขึ้นมาก่อนจะลุกขึ้นมาทําอะไรเราก็ตั้งพุโทโธไว้ในใจเลยว่าวันนี้จะพุโทโธไปทั้งวันจะไม่คิดเรื่องต่างๆที่ไม่จําเป็นถ้าเรื่องที่จําเป็นก็คิดได้แต่พอคิดเสร็จแล้วก็จะกลับมาที่พุโทโธอย่างเดียวไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามพอตั้งสัจจะอธิษฐานอย่างนี้แล้วพอลุกขึ้นจากเตียงก็พุโทโธไปเลย เดินเข้าห้องน้ำก็พุโทโธไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเดินทางไปทำงานก็พุโทโธไปทำงานก็พุโทโธไปพุโทโธไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าใจจะไม่ไม่ฟุ้งซานแล้วพอเวลาที่เรามีเวลาว่างเราก็มานั่งหลับตาทำจิตให้สงบ ด้วยพุโทโธต่อไปก็ได้หรือด้วยการดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ถ้าถ้าจิตไม่ไปที่อื่นอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิสมาธิกับสตินี้ต่างกันสติเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดสมาธิขึ้นมาแต่ตัวสตินี้ไม่ใช่สมาธิ และตัวสมาธิก็ไม่ใช่สติจําเป็นจะต้องมีสมาธิถ้าต้องการที่จะตัดตัณหาทั้งสเพราะว่าถ้าไม่มีสมาธิก็เป็นเหมือนรถที่ไม่มีเบรคถ้ารถอยากจะหยุดถ้าไม่มีเบรกก็ไม่สามารถหยุดได้ถ้าจิตอยากจะละตัณหาทั้งสาถ้าไม่มีเบรคคือสมาธิก็จะไม่สามารถ ละได้สตินี้ไม่สามารถละได้เพียงแต่หยุดได้ชั่วข่าวเช่นเวลามีสติเกิดอยากจะดื่มอะไรขึ้นมาพอมีสติปัสก็บอกว่าออกตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาดื่มรอไว้ก่อนก็จะหยุดได้แต่ความอยากดื่มยังมีอยู่แต่ถ้าเรามีสมาธิเราจะหยุดได้ แต่ก็จะหยุดได้ชั่วคราวเช่นเดียวกันแต่จะหยุดได้นานกว่าถ้าอยากจะหยุดได้อย่างถาวร<อ>ก็จะต้องใช้ปัญญาเพราะปัญญานี้จะเป็นผู้สอนใจที่หลงติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสปัญญาจะสอนให้เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้มันเป็นยาพิษมันไม่ใช่เป็นอาหารหรือเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับจิตใจ เพราะถ้าไปติดกับรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็จะเหมือนกับเอายาพิษเข้ามาทำลายจิตใจยาพิษที่ทำลายจิตใจก็คือความทุกข์ทรมานใจนี้เองพวกเราทุกวันนี้ที่เราทุกกันนี้ถ้าไม่ทุกกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสแล้วเราทุกกับอะไรไม่เชื่อถ้าเราลองต้องเสียสายตาไปนี่เราจะรู้สึกยางไง ที่เราอยากมีสายตามีดวงตาก็เพราะเราอยากจะใช้ตาของเราดูรูปต่างๆนี้ไม่ใช่เหรอความอยากในรูปทำให้เราต้องมีตาแต่ถ้าเราไม่อยากดูรูปแล้วไม่มีตาเราก็ไม่เดือดร้อนเหมือนกับคนที่ถ้าไม่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนไม่มีรถก็ไม่เดือดร้อนอยู่บ้านเฉยๆทำไมจะต้องมีรถให้มาเป็นภาระไปเป่าๆ ทัในใดถ้าเราไม่มีความอยากกับรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องกลับมาเกิดในกาลโลกธาตุเกิดในกามภพนี่คือเรื่องที่เราจะต้องทำกันคือเราต้องมากำจัดกามวัฏนหาภาวะตันห า, ะะนหาและวิภาวะตันหา ด้วยการทำบุญให้ทางด้วยการรักษาศีลและด้วยการภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมพิจารณาธรรมะที่จะทำให้เราหายหลงหายอยากกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้คือต้องพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นความทุกข์เพราะไม่เที่ยงแท้แน่นอน เพราะเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับสั่งให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้ถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความทุกข์แล้วเราก็จะไม่อยากได้อะไรเพราะเรารู้ว่าเรามีความสุขที่รอเราอยู่ภายในใจของเรานี้เองความสุขที่เกิดขึ้นจากการตัดความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้นี่เอง ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำมาแล้วและได้พบความสุขอันเลิศอันตรเสสนี้มาแล้วก็ความสุขของพระนิพพานนี้เองที่รอเราอยู่ในใจของพวกเราทุกคนเพียงแต่ตอนนี้เรามีมารมาขวางกั้นเอาไว้ก็คือตัณหาทั้งสามนี้เองถ้าเราฆ่ามารทั้งสามนี้ได้แล้วเราก็จะได้พระนิพพานมาเป็นสมบัติของเรา เราก็จะไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปดังนั้นขอให้ท่านจงมีความขวนขวายในการที่จะศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าขอให้เห็นว่าโอกาสอันเลิศนี้จะไม่มีเกิดขึ้นบ่อยๆและอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกเป็นเวลาอันยาวนานจึงไม่ควรที่จะปล่อยให้โอกาสอันนี้ผ่านไป โดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยเพราะจะเสียชาติเกิดจะไม่ได้สิ่งที่ควรจะได้สิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐที่เราควรจะได้เราทุกคนมีความสามารถถ้าเราขวนขวายและทุ่มเทชีวิตจิตใจของเรากับการนี้เพราะมีผู้ที่เขาเป็นเหมือนเราได้ทํามาแล้ว เขาก็เป็นเหมือนเราเมา่ก่อนเขาก็มีกิเลสตัณหามีความความไม่มั่นใจว่าจะทําได้แต่พอได้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างก็ทําให้เขาเกิดศรัทธาขึ้นมาว่าถ้าพระพุทธเจ้าทําได้เราก็ต้องทําได้เพราะถ้าเราทําไม่ได้พระพุทธเจ้าก็จะไม่มาสอนเราให้เสียเวลาไปเปล่า ดังนั้นขอให้พวกเราอย่าไปคิดว่านิพพานนี้เป็นของไกลตัวเป็นของสุดวิสัยขอให้คิดว่ามันเป็นของใกล้ตัวเป็นของที่อยู่ในวิสัยที่เราจะสามารถทำได้ทุกคนอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือไม่อยู่ที่ว่าเราจะตัดสิ่งที่เราหลงรักหลงติดอยู่หรือไม่ทัานั้นเองจึงขอฝากเรื่องของการมาใช้เวลา ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชีวิตต่อการปฏิบัติธรรมนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุกพ้นจากความทุกข์และเพื่อความสุขที่ถาวรที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนไกร